อนุพุธทธะนักธรรมเชนโทมูลที่สิบเจ็ดบรรยายโดยพระอาจารย์มหามนูสุขมโหเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายวันนี้ก็ถึงการบรรยายประวัติของพระเถระอันดับที่หกสิบเจ็ดก็คือ พระพาหิยะทารุจิริยะเถระพระมหาเถระองค์นี้ชื่อยาวหน่อยชื่อว่าพาหิยะทารุจิริยะเถระท่านพระพาหิยะทารุจิริยะเถระผูน้นี้ประวัติเดิมของท่านก็คือเป็นบุตรของกุ ด, ดุมพี กุดุมพีนี่แปลว่าคนมีทรัพย์คนกุดุมพีคนมีทรัพย์สมบัติเป็นบุตรของกุดุมพีในแว่นแคว้นพาหิยรัฐชื่อเดิมของท่านนั้นก็คงจะชื่อว่าทารุกิเยะแต่เพราะเหตุที่ว่าเป็นคนแห่งแว่นแคว้นพาหิยรัฐ ก, ก็จึงได้มีชื่อนำว่าพาหิยะ นำหน้าหรือมิฉะนั้นชื่อเดิมนั้นอาจจะเป็นจิริยะแต่เพราะเหตุที่ว่าตอนที่ไปค้าขายนั้นเรือได้อัปาในกลางทะเลนั้นก็ได้จับไม้ท่อนหนึ่งไหว้เข้าฝั่งได้ก็จึงได้มีชื่อว่าทารุจิริยะและก็ เป็นคนที่แวนแควนพาหิรัตก็จึงได้มีชื่อว่าพาหิยะธารุจิลยะเทละเดิมนั้นเข้าใจว่าคงจะชื่อไม่ยาวอย่างนี้เมื่อจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็ได้ประกอบอาชีพในทางค้าขายครั้งหนึ่งนั้นก็ได้ไปค้าขายทางจังหวัดสุวรรณภูมิโดยทางเรือ จังหวัดสุพรรณสุวรรณภูมิหรือว่าแถวสุวรรณภูมินี้ก็แถวแถวทางอาทางประเทศไทยเราทางประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศลาวประเทศมเขมรประเทศประเทศลาวประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามนี่ที่แถวนี้เรียกว่าอยู่ในเขตสุวรรณภูมิเข้าใจว่าคงจะ นำอาอานำสิ่งของนั้นลงเรือเข้ามาที่จะขายในสวนนู้พุมนี้ก็ได้ลงเรือมานำสินค้ามาโดยทางเรือพร้อมกับด้วยประชาแอมพร้อมกับด้ว ย, พ ว, ยพวกคนเป็นอันมาก <c oughs> เมื่อเรือนี้กำลังแล่นไปในถ้ำกลางมหาสมุทรยังไม่ทอันยังไม่ทันที่ จะถึงสถานที่ตนเองต้องประสงค์เรือนี้ก็ได้อับปางลงเสียในถ้ำกลางมหาสมุทรนั่นเองคือในใน่้กลางทะเลหลวงนั่นเองพวกคนทั้งหลายทั้งหมดที่โดยสารเรือนั้นไปที่อยู่ในเรือนั้นก็ปรากฏว่าเป็นพักษาแห่งเต่าแล้วปลาไปทั้งหมดคือว่าตายในทะเลหลวงในท้องทะเลนั้นทั้งหมดเลย ยังเหลืออยู่แต่ภาหิยะทารุจริยะนี่พียงคนเดียวเท่านั้นเกาะไม้กระดานได้แผ่นหนึ่งเกาะไม้กระดานได้แผ่นหนึ่งก็อุตส่าห์พยายามแหวกไหวเข้าหาฝั่งจนกระทั่งสามารถขึ้นมาขึ้นได้ที่ท่าที่ท่าเรือชื่อว่าสุ ป, ปาละกะท่าเรือสุ ป, ปาละกะ เพราะเหตุที่ว่าเกาะไม้แผ่งกระดานได้แผ่นหนึ่งและพยายามไหว้แหวกจนเข้าสู่ฝั่งที่ขึ้นที่ทาเรือชื่อสุปปาลกะนี้ได้เองเนี่ยคงจะมีชื่อคําว่าทารุต่อข้างหน้านั่นเนซึ่งทารุนี่แปลว่าไม้ <c oughs> แต่ว่าผ้านุ่งผ้าห่มนั่นคือเสื้อผ้าที่ตนเองใส่มานั้นปรากฏว่าไม่ได้เหลือติดตัวเลยเพราะเหตุที่วันโดนกระแสน้ําพัดไปหมดรอดมาได้เฉพาะ รอดมาได้เฉพาะตัวเท่านั้นเองหรือว่าในขณะที่เรืออัปางลงนั้นคงจะสลัดเสื้อผ้าออกเพื่อให้คล่องแคล่ว ก, การที่จะเอาชีวิตคลอดคือว่ายน้ําได้ได้สะดวกเพราะถ้าหากว่ายังอยู่ในชุดเสื้อผ้าแล้วชุดเสื้อผ้านี้จะติดตัวและจะพันตัวจะทําให้ลําบากในการอที่จะว่ายน้ําเพราะฉะนั้น อ่าในเรื่องนี้เนี่ยแม้แต่ว่าในพระวินัยของพระองค์ท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้ว่าเวลาเดินออกนอกวัดเวลาเดินไปนั้นให้กัดลังดุมแต่ถ้าเวลาลงเรือแล้วห้ามไม่ให้กัดลังดุมเด็ดขาดถ้ากัดลังดุมแล้วก็ปลอกามัดทุกกฎสาหรับเรื่องอสําหรับข้อนี้วิญายข้อนี้ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อรักษาชีวิตของพระภิกษุไว้ เพื่อบังเอิญเรือเกิดอับปางหรือล่มขึ้นจีวรนี้ก็จะพันตัวไม่สามารถที่จะว่ายน้ําได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้กัดหลังดุมเมื่อเวลาเรือล่มแล้วก็ให้สลัดจีวรนี้ทิ้งเสียเพื่อก็เพื่ อ, อเพื่อเป็นอเป็นการง่ายในการที่จะสลัดจีวรนี้ออกจากตัวถ้าหากไม่กัดหลังดุมอันนี้แหละเพราะฉะนั้นทารุจริยะนี้ก็คงจะในทํานองเดียวกัน สลัดผ้านุ่มผ้าหม่มจึงไม่มีเหลือติดตัวเลยขึ้นได้ที่ ท, ที่ท่าเรือชื่อว่าสุ ป, ปาระกับเมื่อตอนขึ้นมาแล้วไม่มีเสื้อผ้านุาม่มผ้าห่มมองไม่เห็นอะไรที่จะทําเป็นผ้านุ่มผ้าห่มได้ก็จึงเอาเปลือกไม้บ้างใบไม้บ้างมากัดติดกันต่อกันเข้าแล้วก็ทําเป็นผ้านุ่มผ้าหม่มแล้วก็ ถือกระเบื้องนั่นเที่ยวขอทานเลี้ยงชีพเขาต่อไปพวกมนุษย์ทั้งหลายเห็นเขาแล้วพากันสำคัญว่าวู้นี้คงเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นแน่คือชาวอินเดียก็ก็มีอย่างหนึ่งเห็นคนที่ว่าไม่มีผ้าหนุ่มผ้าหมหรือคนแก่ผ่านนี่เข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน พราะเหตุที่ว่ามีนักบวชลทัทธิหนึ่งถือว่าตนเองนั่นเป็นพระอรหันต์เช่นนักบวชประเภทที่เรียกว่าศาสนาเชนถือว่าตนเป็นนั่นเป็นพระอรหันต์สามารถตัดได้หมดกิเลสแม้กระทั่งความอายเพราะฉะนั้นเขาตัดกิเลสได้หมดไม่มีความอายก็จึงไม่ต้องนุมงผ้าถือว่าคนตัดกิเลสได้เช่นนี้คือเป็นพระอรหันต์ ตามหลักของพุทธศาสนาเรียกนัก บ, บวชประเภทนี้ว่าอาเจรกอเจรกแปลว่าไม่มีแผ่นผ้าหรือพวกนิครนนิคันธะแปลว่าไม่มีกิเลสและไม่มี อ, อผ้าพันกายแต่ว่าตามภาษาของเขาแล้วคําว่านิคันธะนี้แปลว่าไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยลัดดังนั้นเขาจึงไม่นุ่งผ้าเพราะฉะนั้นประชาชนเห็นแล้วก็เข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์จึงได้เกิดเกิด เ่มสนักบวชประเภทนี้เป็นอย่างมากบังเอิญไปเห็นคนที่ไม่นุ่งผ้าเขาก็เข้าใจว่าเป็นนักบวชเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันดังนั้นในประเทศอินเดียนั้นตำรวจจะไม่จับคนที่แก้ผ้าหรือว่าจับคนที่เปลือยกายถ้าผู้คนใดไปจับคนที่เปลือยกายก็หมายความว่าไปจับพระอรหันต์ซึ่งผิดกับเมืองไทยเมืองไทยถ้าหากคนใดเปลือยกายแล้วก็ต้องจับ ถือว่าเป็นคนที่สติไม่สมบูรณ์ก็เข้าใจว่าทาลุจริยานี้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันก็จึงได้พากันนั้นถวายข้าวและน้าทั้งข้าวต้มข้าวสวยกับข้าวอันประณีต น, นานาชนิดอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็นำผ้านุ่งผ้าห่มเข้าไปถวะไปให้พายยะทารุจริยะก็คิดว่า ถ้าหากว่าเรานี่จะนุ่งผ้านุ่งอนุ่งผ้าห่มผ้าซะแล้วที่เขานำมาให้แล้วลาบสการะของเราก็จะเสื่อมไปเพราะว่าเมื่อ น, นุ่งผ้าห่มผ้าแล้วก็จะกลายเป็นไม่เป็นพระอรหันต์ไปเป็นคนที่ไม่หมดกิเลสไปเมื่อคิดถึงการที่จะเสื่อมลาบสการะของตนได้ชะนีแล้วก็จึงห้ามพวกคนเหล่านั้นเสียไม่ให้นำผ้านุ่งผ้าห่มมาให้อีกต่อไปและตนเองก็ถือการประพฤติโดยการที่ นุ่งผ้าเปลือกไม้ใบไม้นั่นเองตามเดิมอยู่ต่อมาต่อมาเมื่อมีคนสรรเสริญกันมากเข้ากราบไหว้เขาตนเองก็เลยมีสัญญาวิปรรสดไปคือมีความสงคัญผิดไปว่าตนเองนั้นเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันครั้งนั้นพรอมองค์หนึ่งซึ่งเคยบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกันมาแต่ชาติก่อนซึ่งไปบังเกิด เป็นพรหมในชั้นสุดทาวาสซึ่งในชั้นสุดทาวาสนี้ชั้นสุดทาวาสนี้มีห้าชั้นเดียกันคืออวิหาอตตปา ส, า, ส า, าสุทัฏฐาสาทุทศีอักกนิฐาห้าชั้นนี้เป็นแดนจะเป็นถิ่นที่กําเนิดของบุคคลที่เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีจะจะเพาะจะ อุบัติขึ้นในห้าชั้นนี้เท่านั้นแล้วก็นิพพานในห้าชั้นที่นั่นเองโดยที่ไม่กลับลงมาเกิดในมนุษย์โลกอีกได้เลงเห็นอาการของพาหิยะธารุจริยะเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ลงมาว่ากล่าวตักเตือนให้ได้สติว่าท่านนั้นน่ะไม่ใช่พระอาหารหันต์หรอกแล้วพระอาหารหันต์นั่นก็ไม่ทำเช่นนั้น คือพระอาหารหันต์นั้นเขาไม่แก่ผ้าหรือว่าเปล่อยกายอย่างนี้ในการปฏิบัติตนอย่างนี้ไม่ใช่การที่จะไม่ใช่หนทางที่ดาเนินไปสู่ความเป็นพระอาหารหันต์ตนเองก็จึงรู้สึกรู้สึกสำนึกตัวได้ว่าตนเองนี้ไม่ใช่พระอาหารหันต์การกระทําเช่นนี้เป็นการที่หลอกลวงโลกไม่เป็นการสมควรเลยเมื่อรู้สึกตัวเช่นนั้นแล้ววันหนึ่งก็จึงได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา ซึ่งประทับอยู่ที่พระนครสาวัตถีคือที่พระเชตวันมหาวิหารนั่นเองก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงสแสดงซึ่งมีการตักเตือนให้สำเนียกศึกษาในไตรสิกขา <c oughs> คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นซึ่งทั้งสามประการนี้ก็เรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนา หลักของพุทธศาสนาก็มีอยู่สามหลักด้วยกันโดยการสรุปรวมแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาพายะทารุจิลิยะนี้ก็ได้ทรงใจไปตามกระแสรพระธรรมเทศนานั้นก็ปรากฏว่าได้บรรลุพระอรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธานะพร้อมด้วยปฏิสัมพิทายามทั้งสี่ เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วก็จึงได้ทูลขอบรนเบนชาอุสมบทในพระพุทธศาสนากับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าให้ไปแสวงหาบาทและจีวรซสียก่อนเพราะไม่มีบาทไม่มีจีวร น, นั้นอืมไม่ยอมให้บวชในพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าการบวชนั้นต้องอาศัยจีวรเป็นเครื่องปกปิดกายไม่ใช่บวชแบบศาสนาเชน แล้วก็จะต้องมีบาตสำหรับที่จะรับบิณฑบาตเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นสิ่งสองประการนี้จึงเปน็นเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นเมื่อกุลบุตรจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนานั้นพระสงฆ์จะถามว่าจีวรบาทและจีวร ข, ของท่านนั้นครบไหมปริปุนันเตปัตจีวรังบาตของจีวรของท่านมีครบแล้วหรือเปล่าถ้าไม่มีครบท่านก็ไม่ยอมให้บวช ท่านก็าภายะภัย ะ, ายะทาลุจริยานี้ก็เที่ยวสแสวงหาบาตรและจีวร อ, อยู่ตามหลักนั่นท่านกล่าวไว้ว่าตามตำนานนั้นกล่าวไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้เป็นพระอรหันต์ีได้สำเร็จพระอรหัตตั้งแต่ในตอนเป็นครวัต เมื่อจะขอบรรดาชาอุปสมบทนั้นท่านบอกว่าอัถบริขารเนี่ยคือบริขารทั้งแปประการของมิสุเนี่ยจะเข้ามาสวมเลยด้วยอนุภาพแห่งแห่งพระอาหารหันและบุญญาที่ตนเองได้กระทำในอดีตการแต่ว่าปรากฏว่าท่านพระพระยายะทารุจริยะองค์นี้แม้ทั้ง ท, งทังที่ได้บรุอาหารหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทายานันในขณะเป็นครวัตแล้ว เมื่อทูลขอบรรพชาแล้วก็ไม่มีอัฐบริขารนี้เข้ามาสวมกายเหมือนกับพระอาหารหันต์องค์อื่นที่ได้บรรลุตั้งแต่เป็นครวัตในข้อนี้ท่านกล่าวไว้ว่าก็เป็นบทแบบ เ, เป็นเพราะด้วยปุเพกตะบุญญาตาของท่านนั้นไม่ได้มีไว้ก็คือบุญกุศล น, นั้นท่า น, นไม่ได้ทำไว้ในอดีตชาติเป็นแต่เพียงว่าได้บำเพ็ญเกี่ยวกับเรื่องสมณธรรม แต่ไม่เคยบริจาคทานนะไม่เคยบริจาคทานเลยเพราะฉะนั้นเครื่องอัฐบริขารนี้จึงไม่มีมาไม่ได้เคยบริจาคทานไม่ได้เคยถวายจีวรหรือไม่ได้เคยให้ให้ผ้าแ ก, บก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยดังนั้นแม้แต่พอกเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าปุเพกตะปุญญาตาของตนเองนั้นที่ทําไว้ไม่มีก็ไม่สามารถที่จะมีเครื่องอัฐบริขารนั้นมาสวมกายได้ดังนั้นจึงจะต้องเที่ยวสแสวงหาบาทและจีวร อ, อยู่ ในเวลานั้นเองก็เพอเอินมีนางยักษินีตนหนึ่งจำแรงเพศมาเป็นแม่โคนมวิ่งมาโดยกำลังเร็วขิดท่านปรินิพานเสียเลยโดยที่ยังไม่ทันอุปสมบทในข้อนี้ก็ในบุพกรรมของท่านกใน็ในชาติก่อนของท่านก็เป็นก็เป็นบุพกรรมของท่านอีกเหมือนกันคือกรรมที่ท่านกระทำไว้ในอดีตชาตินั้นไม่ดี บุพกรรมในอดีตนั้นใชน้องท่านนั้นก็มีอยู่ว่าในชาติหนึ่งท่านนั้นพร้อมด้วยพร้อมด้วยเพื่อนๆได้จ้างได้ว่าจ้างหญิงหากินคนหนึ่งที่เราเรียกว่าหญิงขณิการหรือว่าหญิงแพทย์สยาไปเพื่อการหลับนอนด้วยแต่ว่าเมื่อได้หลับนอนกับหญิงนั้นแล้ว เกิดความโลภในทรัพย์สมบัติคือในเครื่องประดับแต่งตัวของหญิงนั้นทรัพย์ที่ตัวเองจ้างมาก็ไม่จ่ายเสร็จแล้วยังฆ่าหญิงแพทย์สยาคนนั้นชิงเอาทรัพย์เครื่องปรัพย์สมบัติที่ประดับกายไปเส้ด้วยเพราะฉะนั้นหญิงแพทย์สยาตัวนั้นก็ก่อนที่จะตายไปก็จึงได้ผูกเวรเรียกว่าผูกอาฆาตไว้ว่า ขอให้ข้าพเจ้าเกิดแต่ในชาติต่อไปนั้นขอให้ข้าพเจ้าเกิดในสภาพที่สามารถที่จะฆ่าท่านได้ดังนั้นด้วยอํานาจแห่งการผูกเวร น, นั้นก็ปรากฏวันในชาตินี้หญิงแพทย์สยามนั้นก็เกิดมาเป็นยักษิศีแต่ตัวท่านเองนั้นก็มาเกิดเป็นพายะท่านพระพายะทารุจริยะดังนั้นในขณะที่ท่านแสวงหาบาตรแลจีวร อ, อยู่นั้น ก็ด้วยกําลังเวรที่นางยักษณีนั้นหรือว่าหญิงแพทย์สยันผูกไว้มาประสบพบเขาก็จึงยานางยักษณีนั้นก็จึงได้แปลงเพศเป็นแม่โคโนมนะเป็นแม่โคโนมวิ่งมาโดยเร็วควิดท่านนิพพานเลยก็ปรากฏว่าท่านนั้นได้ปฏิบิผ่านเสียก่อนยังไม่ได้ทันอุปสมบทแต่ถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นพระภิกษุเพราะเหตุที่ว่าเป็นพระอระหันต์แล้ว พระบรมศาสดาในรุ่งขึ้นในตอนเช้านั้นเสด็จออกไปบิธบารพร้อมด้วยพิสุสงธ์เป็นอันมากก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นพระสิรีละศพของท่านพระองค์ก็จึงรับสั่งให้พิสุทั้งหลายนั้นจัดแจงกระทาชาปนากิจศพของท่านแล้วก็ก่อพระสถูปบรรจุอัธิไวในพระเชตวันมหาวิหารนั่นเองต่อมาในภายหลังองค์ทวดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงยกย่องสรร เ, เสริญว่าท่านเป็นผู้เลิศ ก, กว่าพิสุทิ์ทั้งหลายฝ่ายข้างที่เป็นขีปปาแอะขิปปาปัญญาคือตรัสรู้ได้เร็วพันเพราะเหตุว่าฟังธรรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอารหันต์เลยได้บรรลุพระอารหันตเป็นพระอารหันต์เลยเรียกว่าประเภทที่เรียกว่ามีกิเลสเบาบางและก็มีปัญญาดีเป็นประเภทขีปปาปัญญาฮะ นี่เป็นประวัติของท่านพระพายะทารุจริยะประวัติของพระมหาเถระองค์ต่อไปนั้นก็ได้แก่ประวัติของท่านพระพากุะละเถระท่านพระพากุละเถระนี้เป็นบุตรของมหาเศรษฐีในพระนครโกสัมพีแต่บิดามันดาจะชื่อนามใดนั้นไม่ปรากฏ แต่ตัวท่านเองนั้นประวัติเดิมก็คือชื่อว่าพาหิลมานุพากุละมานกเหตุที่ได้ชื่อว่าพากุละมานกนั้นก็ได้เหตุที่ว่าท่านนั้นอยู่ในตระกูลของเศรษฐีสองตระกูลด้วยกันคือว่าได้รับการเลี้ยงดูจากตระกูลทั้งเศรษฐีสองตระกูลด้วยกันซึ่งเรื่องราวของท่านก็มีปรากฏว่า เมื่อเกิดได้ห้าวันนั้นเมื่อกุมานี่เกิดได้ห้าวันคือเดิมท่านบานเดิมท่านนั้นเนี่ยเป็นคนนครโกสมัมพีเป็นบุตรของเศรษฐีเมื่อเกิดได้ห้าวันนั้นมาดาบิดาก็พร้อมด้วยประยุรยา่าตัดแจงทำมงการมงคลโกนผมฝายขึ้นและก็ขนานนามท่านเมื่อเกิดได้ห้าวัน ซึ่งการโกนผมฝายนี้ประเพณีอันนี้ก็มีมาจนถึงประเทศไทยเราแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะค่อยหมดไปหรือหายไปเพราะเหตุว่าบางคนถือว่าผมที่ได้มาแต่เดิมนั้นเป็นของที่เป็นมงคลแล้วจึงไม่ทาการไม่ได้โนทิ้งเสียบางคนถึงแม้จะทำพิธีก็เพียงแต่ตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถือว่าขอผมนี้เป็นของเดิมที่ได้มาจากแม่จากพ่อเป็นผู้ให้มาถือว่าเป็นสิริมงคลพี่เลี้ยงและนางนมในวันที่ห้านั้นที่กระทำพิธีมงคลโกมผมไฟและขนานน้ำนั้นพี่เลี้ยงและนางนมทั้งหลายก็ได้พาท่านนั้นลงไปอาบน้ำชำระกระทำละกายที่แม่นม้ำคงคาในขณะที่ยังชำระกายอยู่นั่นเองก็มีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่ง แหวกว่ายมาตามกระแสน้ําด้วยความเร็วนะแวกว่ายมาตามกระแสน้านะววํ า, า, า แ, และเห็นทารกนั้นซึ่งเกิดใหม่ๆขึ้นห้าวันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นอาหารหรือว่าเป็นชิ้นเนื้อเพราะเด็กที่เกิดมาเพียงไม่กี่วันนั้นร่างกายก็ยังแดงอยู่แดงและดูแลเหมือนก็ชิ้นเนื้อก็สําคัญว่าเป็นอาหารก็จึงได้ว่ายมาด้วยความเร็วก็หุบเอาทารกนั้นกลืนเข้าไปในท้องเลย แต่ทาลกนั้นเป็นคนที่มีบุญญาณุภาพมากคือได้สั่งสมได้สร้างบุญได้สร้างกุศลไว้ในชาติก่อนเป็นอันมากเมื่อด่าถูกปลานั้นเกลืนเข้าไปในท้องก็ไม่รับอันตรายใดๆเลยแม้เพียงความแม้ความลําบากเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีเมื่อเข้าไปอยู่ในท้องแล้วก็นอนสบายเหมือนกับเด็กที่นอนอยู่ในเปลนั่นแหละนะหรือเหมือนกับคนที่นอนอยู่บนทนที่นอนนั้น ไม่ได้เดือดร้อนหรืออนานทร น, น้อนใจเลยอาศัยด้วยบุญญาณุภาพของทารกนั้นก็บังเอิญให้ปลาตัวนั้นที่หุบเข้าไปเกิดความเดือดร้อนกระวนกระวายเที่ยวกระเสือกกระสนแหวกว่ายไปตามกระแสน้ำไปจนกระทั่งไปบังเอิญไปติดข่ายของชาวประมงชาวพนครภพาราณสีเข้า เมื่อชาวเมื่อชาประมงนั้นได้ยกขายขึ้นมาแล้วหรือว่ากู้ขายขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าติดปลาตัวนี้ขึ้นมาเป็นปลาตัวที่ใหญ่ก็จึงได้ปลดปลาออกจากขายที่นี้พอปลดปลาออกปลานั้นก็ถึงแก่ความตายชาวประมงเหล่านั้นก็จึงได้เอาปลาเนี่ยเที่ยวไปเลขขายตามท้องตลาดในร้านตลาดทั้งหลายไปเที่ยวเลขขาย และตีราคาพาปลาตัวนี้ถึงหนึ่งพันกระหาปณะนะราคาถึงหนึ่งพันกหาปณะนะในพระนครสาวัตถีนั้นก็มีเศรษฐีที่มีทรัพย์มากๆอยู่หลายคนห ล, ยหลายตระกูลด้วยกันแต่ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์มากเหมือนกันแต่เป็นคนไรบุตรธิดาคือไม่มีลูกชายลูกหญิง ก็จึงได้ตกลงใจกับภรรยาของเขาตัวเองได้ซื้อปลาตัวนั้นเป็นแหวนเป็นราคาหนึ่งพันกะหาปณะนะหนึ่งพันกะหาปณะนะกะหาปณ ะ, ะหนึ่งก็ประมาณสี่บาทหนึ่งพันปะหาปณ ะ, ะก็สี่พันบาทก็นับว่าเป็นราคาที่สูงมากแล้วก็ได้แหล่ปลาองอนั้นได้แหล่ปลาออนั้นออกเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะต้องการตากแห้งไว้ เป็นอาหารต่อไปหรือว่าเพื่อจ ะ, อะเพื่อที่จะนาไปทาปรุงเป็นอาหารที่เหลือก็ตากแห้งไว้ทำเป็นปลาเค็มไปย่างบ้างเอาไว้ในยามที่ขาดขัดสนหรือในยามที่หาอาหารไม่ได้เมื่อแหวะทองดูแลก็ปรากฏว่าได้เห็นทารกนอนอยู่ในท้องปลานั้นแล้วก็ยังเห็นทารกวันยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้เห็นทารลกอย่างนั้นแล้วก็เกิดความลักรลาวากับวัาบุตรของตัวเองจึงได้เปล่งอุทานวาจาขึ้น้วยเสียงอันดังว่าเราได้ลูกในท้องปลาแล้วเราได้ลูกในท้องปลาแล้วดังนี้เศรษฐีและพันยานั้นก็ได้เลี้ยงทารลกนั้นไว้เป็นอย่างดีเหมือนกับบุตรที่เกิดจากอกของตัวเองโดยที่ไม่มีความรังเกียจรั ง, งองอะไรเลยเพราะเห็นว่าตนเองนั้นเป็นคนที่ไม่มีบุตร ขั้นการการอยู่ต่อมาเศรษฐีผู้เป็นบิดานั้นบิดามันดาเดิมที่โกสอาทีอยู่เมืองโกสมพีนั้นทราบเรื่องราวเข้าก็จึงได้ไปยังบ้านของอเศรษฐีชาวพนคอนพราณศรีนั้นพอแลเห็นทาลกนั้นเองก็จำได้ว่าเป็นบุตรของตนก็จึงขอทาลหนึงคืนโดยการที่แสดงเหตุผลและแสดงข้าออ้างและแสดงหลักฐานต่างๆนานา ต้นแต่ต้นมาจนกระทั่งที่ว่าจนอวสานให้พระให้เศรษฐีเมืองพาราสีนั้นทราบแต่ถึงอย่างไรเศรษฐีพาราเมืองพาราสีนั่นจะรู้ว่าหลักฐานนั่นมีจริงแต่ว่าตนเองนั้นเป็นคนไม่มีบุตรก็ไม่ยอมให้ถือว่าตนเองได้ในท้องปลาเศรษฐีผู้เป็นบิดานั้นผู้เป็นบิดานั้นก็ไม่เห็นว่าจะเป็นการตกลงกันได้ก็จึงได้ถวายดีกา ต่อพระเจ้าพรมหทัศน์ซึ่งเป็นกรรษัตริย์แห่งพระนครพาราณสีเพื่อให้พระองค์นั้นได้ทรงวินิจฉัยชีข้ขาดพระองค์ก็ได้ทรงวินิจฉัยเป็นกลางๆโดยที่มาห้ตระกูลทั้งสองนั้นเสียใจเพราะอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกแท้แท้อีกคนหนึ่งก็ได้มาโดยที่ว่าตนเองไม่ได้ไปลักหรือไปอะไรและตนเองก็ไม่มีลูกด้วยก็เลยวินิจฉัยว่าให้สองตระกูลนั่นแหละช่วยกันอภิบาล ร, รักษาหรือว่าเลี้ยงดูทานโรคนี้ ให้เป็นคกลางโดยที่เศรษฐีทั้งสองนั้นผัดเปลี่ยนกันรับทาลกนั้นไปบำรุงเลี้ยงดูในตระกูลของตนของตนมีกำหนดเวลาคนละสี่เดือนคือวาระสี่เดือนพ่อเอาไปเลี้ยงสี่เดือนแล้วก็พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ได้มาในท้องปลาก็มาเลี้ยงสี่เดือนปเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้อาศัยเหตุตามเรื่องราวที่กล่าวมานี้นั่นแหละทาลกนั้นจึงได้ชื่อปรากฏป่าากระ พานี่แปลว่าสองกุระแปลว่าตระกูลก็หมายความว่ามาอาทาโลกนี้เจริญอยู่ในตระกูลทั้งสองจำเดิมแต่การนั้นมาภากุระกุมานั้นก็ได้รับเลี้ยงดูจากเศรษฐีสองตระกูลนั้นเป็นอย่างดีจนกระทั่งเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดานั้นสเสด็จจาริกไปประกาศพระศาสนาในพนกกรพาลานาสีพากุระผู้นี้พร้อมด้วย บริวารก็เด็กเข้าเฝ้าเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วของพระองค์แล้วก็เกิดความเลื่อมใสมีความปรารถนาอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาก็จึงได้ขอทูลขอบรรบ่าชาอุปสมบทเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ได้ฟังโอวาที่พระองค์ทรงสั่งสอนในทางวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักท่านเป็นผู้ใหม่ประมาทอุตสาหะทาความเพียรเจริญสมณธรรม บำเพ็ญวิปัสนาเพียงสองวันเท่านั้นเองตั้งแต่อุสมบทมาก็บรรลุพระอาหารหัตนตผลตั้งแต่วันนั้นมาท่านก็อุตสาหประกอบกิจในพุทธศาสนาปรากฏว่าท่านเป็นผู้เคร่งครัดในเนสัชิกะทุดงและอรัญญิกะทุดงเป็นอย่างมากเนเนสัชิกะทุดงนี้ก็คือว่าถือการนั่งเป็นวัดไม่นอนและอรัญญิกะทุดงนี้ก็คือถืออยู่ป่าเป็นวัด ตั้งแต่บวชมาแล้วในพระพุทธศาสนาประมาณหกสิบปีปรากฏว่าไม่เคยจำพรรษาในอาวาสที่อยู่ในบ้านเลยจำพรรษาเฉพาะในปานะ่าเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็เป็นคนที่ไม่มีโลกภัยเบียดเบียนไม่ต้องทำการรักษาพยาบาลร่างกายด้วยเศสัตว์เลยท่านกล่าวว่าโดยที่สุดแม้เพียงสมองแม้ชิ้นหนึ่งก็ไม่เคยฉันตลอดหกสิบปีนั้น ะตามตำนานกล่าวว่าการที่ท่านเป็นผู้ที่มีโลคาพาธน้อยคือมีอาพาธน้อยนี้ก็เป็นผลของบุญกุศลที่ท่านได้สร้างไว้ในอดีตชาติก็คือว่าเคยได้สร้างเวชจักกุดีคือส้วมหรือว่าห้องน้ําที่เรียกกันตามสมัยใหม่ว่าห้องน้ําก็คือห้องส้วมและก็ให้ยา บ, บําบดบําบัดโรคนะเป็นทานเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นคนที่มีอาพาธน้อย อาศัยเหตุอันนี้แหละองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตั้งท่านไว้ในฐานะเอตทัคะคือเป็นผู้เลิศกว่าพิสุท์ทั้งหลายฝ่ายเป็นผู้ที่มีโลค้าพาดน้อยคือมีเอาละท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร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 ประวัติของพระมหาเถระองค์ที่หกสิบแปดนี้ก็คือประวัติของท่านพระพากุลเถร ะ, ระในวันก่อนนั้นก็ได้อธิบายบัได้บรรยายมาถึงตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้แต่งตั้งท่านไว้ในเอตถคะฐานเป็นผู้เลิศกว่าพิสุท์ทั้งหลายฝ่ายข้างเป็นผู้ที่มีโลคาพาทน้อย ก็คือมีอาภาษณน้อยนั่นเองการที่ท่านมีอาภาษณน้อยหรือว่ามีกโกลคาพาษน้อยนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าบุญกุศลที่ท่านได้กระทำไว้ในอดีตชาติบุญกุศลที่ท่านได้กระทำไว้ในอดีตชาตินั้นเป็นอะไรเล่าจึงเป็นเหตุที่ว่าทรงให้ท่านมาให้ท่านเป็นผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยในปัจจุบันนี้ท่านกล่าวว่าเพราะเหตุที่ ในอดีตชาตินั้นท่านได้สร้างเวชกุดีก็คือห้องถ่ายหรือห้องส่อมและก็ให้ยาบําบัดโรคเป็นทางการสร้างเวชกุดีนี้ญาติโยมบางคนนั้นไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะศรัทธานักในการสร้างเวชกุดีโดยเกิดความเข้าใจผิดไปครั้งหนึ่งนั้น ผู้บรรยายนี้ก็ได้เคยสร้างวัจกรดีประจาวัดเหมือนกันแต่ว่าได้บอกบุญกับญาติโยมนั้นบอกยากเหลือเกินเพราะญาติโยมบางคนนั้นชอบในการที่จะสร้างชอบฟ้าบริการเพราะเป็นของสวยข้น ง, งามเมื่อการเมื่อบอกบุญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัจกุดีนี้บางคนเข้าใจผิดว่า ถ้าหากว่าฉันเนี่ยสร้างวัดวัชกุลีหรือว่าห้องโถมนี้เกิดไปในชาตินานั่นค่อดิฉันก็เจแต่อุจระเท่านั้นสินี่มีความเข้าใจผิดนี้ไปความจริงแล้วเรื่องวัจชกุฎีนี้เป็นของที่ถ่ายทุกและสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากวันหนึ่งเราต้องทำการที่ว่าถ่ายทุกนั้นเป็นประจำทุกวันหรือต้องอาศัยต้องใช้วักุลีนี้ ประจำทุกวันแล้ววันหนึ่งก็หลายครั้งด้วยทั้งเบาทั้งหนักถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเวชกุดีนี่สำคัญยิ่งกว่าโรงพยาบาลซะอีกเพืาอเหตุว่าบางคนนั้นเกิดมาจนกระทั่งถึงชีวิตดับไปคืออายุเจ็ดสิบบ้างหกสิบ้างบางคนไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยแต่ว่าเวชกุดีนี้หรือว่าห้องส่วมนี้ต้องไปทุกวันวันหนึ่งหลายครั้งด้วย ทั้งเบาและทั้งหนักนี่เพราะฉะนั้ น, นเป็นไปเหตุความจาเป็นเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นของทุกข์มากขาดไม่ได้เท่าขาดไปจกกุดีแล้วเราไม่สามารถที่จะทําการในที่โลงแจ้งได้เสร็จแล้วอยู่ต่อมาอผู้นั้นซึ่งเดิมนั้นไม่ยอมที่จะร่วมสร้างเวัตถุดีนั้นก็ไปเห็นผลมา คือไปเที่ยวที่พระพุทธบาทสรร บ, บุรีเสร็จแล้วเกิดปวดท้องขึ้นห้องส่วงก็มีน้อยต้องไปรอกันเข้าเข้าคิวเข้าแถวก็จึงได้รู้จะได้รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์แค่ไหนในการที่ปวดอุจจาระและปัสสาวะนี้ต้องรอกันเข้าคิวเข้าแถวที่จะเข้าห้องสูงกลับมาแล้วจึงได้ยอมที่ใ น, ท, ในที่จะทาบุญโลกกันด้วยนี่เพราะฉะนั้นเป็นของสาคัญเพราะเหตุที่ว่า ท่านพระภากระเทระผู้นี้แหละในอดีตแต่ชาติได้เคยสร้างเวชกุฎีและได้เคยให้ยาบําบัดโรคจึงปรากฏว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยในการปัจจุบันนี้ท่านนั้นนอกจากจะเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยแล้วกิจสําคัญที่ท่านได้กระทําไว้ในพระพุทธศาสนาก็ได้มีปรากฏ ในตำนานว่าท่านนั้นได้ทำให้อเจระกัหรืออเจรกคนหนึ่งชื่อว่ากัสปะกัสปะปริพาชกผู้เป็นสหายของท่านตั้งแต่ยังไม่ได้อุปสมบทซึ่งต่อมานั้นเด้น่าเป็นปริพาชกแต่ว่าเป็นพวกประเภทอเจรกคือไม่นุ่มผ่า ท่านนั้นสามารถที่ทําให้อาเจลกพูนี้เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาโดยการกล่าวแก้ปัญหาจนกระทั่งให้เข้ามาอุปสมบทนะจนกระทั่งให้เกิดศรัทธาเริ่มใสแล้วเข้ามาอุปสมบทในพุทธศาสนาบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหันตผลนี่กิจกรรมของท่านสําคัญ ที่ท่านทำไว้ในพุทธศาสนาคือสามารถดึงเอาคนนอกศาสนานั่นหรือที่นับถือศาสนาอื่นให้เข้ามานับถือพุทธศาสนาได้ท่านพระพากระท่านพระพากระเทระผ้นีก็ได้ดำรงอายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การเวลาก็ดับขันธปรินิพานเข้าใจว่าคงจะบวชอยู่ในพระพุทธศาสนานี่ประมาณหกสิบปี แต่อายุขอท่านนั้นจะเท่าไรไม่ทราบก่อนแต่จะนิพพานนั้นท่านก็นิพพานเวลานิพพานนั้นท่านก็นิพพานแปล ก, กับพระอริยสาวกองคอื่นโดยก่อนแต่ที่จะไปนิพพานนั้นท่านก็ได้เข้าเตโชส ม, มาบัติแต่เข้าเตโชส ม, มาบัติแล้วก็นั่งนิพพานณธรรกลางระหว่างพิสุสงคือในหมู่ของในหมู่ของพิสุสง์ เมื่อท่านนิพพานแล้วด้วยอานาจเตโชสบาบัดที่ท่านเข้าก่อนนิพานนั่นเองเตโชท่าก็ได้บังเกิดเป็นไฟเผาไหม้สิริละของร่างกายของท่านให้หมดให้หมอดหมดไปณที่นั้นเองนี่เป็นการที่นิพพานผิด ก, กับพระมหาเถระองค์อื่นคือนั่งนิพพานและนิพพานเสร็จแล้ว ไม่ต้องใช้ไฟหรือบุอคลอื่นคนใดไม่ต้องช้ำชาพนักกิจเตโชท่าก็ได้ลุกขึ้นไม่สลีละท่านเองจนกระทั่งหมดหมอดไปอันนี้เป็นประวัติของท่านพระมหาเถระชื่อว่าภากละอันดับต่อไปนั้นเป็นประวัติของท่านพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งคืออันดับที่หกสิบเก้าเป็นประวัติของท่านพระทับพบัมรบุตรเถระ ท่านพระทัพพระมลบุตรเถระนี้เป็นพระราชโอรสของพระราชเทวีผู้เป็นอั克รมเหสีของพระเจ้ามัลราชก็คือเป็นพระมเหสีของกษัตริย์ชาวม ล, ละชนบตรหรือชายหรือมันเอ็มแควนมละเดิมนั้นประวัติเดิมของท่านนั้นชื่อว่าทัพพระราชกุมารทัพพระราชกุมารแต่อาศัยที่ท่าน เป็นพระราชบุตรของพระเจ้ามลลันษะเป็นพระราชบุตรของกษัตริย์แห่งมลลักษณก็จึงได้มีคําว่ามลลับุตรต่อชชื่อของท่านด้วยก็จึงได้มีชื่อผสมกับนามเดิมว่าทัพพระมลลักษณ์ทัพพระมลละบุตรราชกุมารผู้นี้นับตั้งแต่ประสูติมาแล้วมีพระชนมายุได้เจ็ดปี ก็ได้เข้าไปหาพระมารดาทูลอ้อนวอนขออนุญาตจากพระมารดาเพื่อจะบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาพระมาราชมารดานั้นก็ทรงอนุญาตเมื่อทรงอนุญาตแล้วก็ได้บรรพชาเป็นสมณีนอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดานั่นเอง <c oughs> <c oughs> เมื่อได้สดับพระโอวาทของพระองค์แล้ว เป็นผู้ที่ไม่ประมาทอุตสาจเจริญสมณธรรมบำเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานก็ได้บรรลุอพระอราตถผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งสี่และอภิญญาหกและอภิ ญ, ญาหกตามตำนานปรากฏว่าท่านได้บรรลุอราหันต์นั้นเมื่อเวลามีดโกนจดลงที่พระเศียร นี่ตำนานอีกตำนานหนึ่งกล่าวไว้อย่างนั้นตามตำนานนั้นกล่าวไว้ว่าได้บรรลุพระอรหัสตเมื่อเวลามีโกนจดลงที่พระเศียรที่จะปรงพระเกศาและอุปสมบทนั่นเองเมื่อมีอายุครบยี่สิบพรรษาหรือว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ตามพระวินัยนิยมแล้วก็ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ท่านพระทัพพระมนบุตรนั้นเป็นผู้ที่สนใจในกิ จ, จในกิจของสงฆ์เป็นอย่างดีในครั้งหนึ่งนั้นท่านได้เกิดมีความดำริขึ้นว่าเรานั้นอยู่จบพรหมจรรย์แล้วก็คือว่าสาเร็จมรรคผลนิพพานเป็นผู้ที่หมดกิจที่จะพึงทำในพุทธศาสนาในศาสนาอีกแล้วควรที่จะรับภาระธุระสงฆ์สักอย่างหนึ่ง จึงได้กราบทูลความดลิขินั้นแด่พระบรมศาสดาพระองค์ทรงทราบแล้วก็ทรงตัดสาธุการวันดีระดีละทัพมณบุทแล้วก็ตรัสให้สงสมมุติท่านนั้นเป็นพัตตุเทสกะและเสนาสนค า, าหาประกัพัตตุเทศกะนั้นก็ได้แก่ผู้แจกพัดผู้แสดงพัดก็คือผู้แจกพัดคือแจกพัตตาหานั่นเอง ในที่นี้ก็หมายถึงว่าแจกจแจกิจนิมนต์แจกกิจนิมนต์และเสนาสนะคาหาประกาศนั้นก็คือแจกเสนาสนะที่อยู่อาศัยคือเป็นผู้จัดการให้ภิกษุนั้นอยู่ในเสนาสนะที่อาศัยนั้นให้เหมาะสมแต่ละบุคคลบุคคลด้วยกันหรือให้เหมาะสมแก่การที่ มาก่อนมาหลังปรากฏว่าท่านได้ตั้งใจทํากิจในหน้าที่ของท่านนี้สําเร็จเรียบร้อยดีและก็เป็นผู้ฉลาดในการนี้ด้วยนะเป็นผู้ฉลาดในการนี้ด้วยคือหมายความว่าท่านได้ทํากิจหน้าที่ของท่านอย่างดีนั้นเช่นในการแจกพัดในการแจกกิจนิมนต์นี้หรือว่ากิจที่นิมนต์นี้กระทาไปตามหลักตั้งแต่ องค์หัวหน้าจนกระทั่งองค์สุดท้ายอาเช่นพระในพระสงฆ์ในวัดมีเท่าไรทายกมนิมนเท่าไรก็นับไปตั้งแต่องค์ต้นไปตั้งแต่ท่านเจ้าวาดไปจนถึงถึงองค์ใดแล้วก็หยุดแข่วนั้นเมื่อเขามณีมนตก็นับต่อไปเมื่อหมดแล้วก็กลับมาวนกลับมาถึงองค์ต้นใหม่เช่นนี้เป็นลำดับกัน โดยที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังว่ากิจนิมนต์นั้นจะเป็นสถานที่ดีหรือไม่ดีก็ต้องเป็นไปตามวาระและการแจกเสนาสนะขาหาประกาศนี้ก็ต้องดูบุคคลว่าคนนี้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่กิจของสงฆ์ในวัดหรือเปล่าและบุคคลอ่าแล้วพิสูจน์รูปนี้เป็นผู้ที่มีอ่า หน้าที่ที่จะเหมาะสมหรือเปล่าก็แจกให้ตามเหมาะสมแก่เสนาสนะหรือว่าที่อยู่อาศัยนั้นเรียกว่าท่านเป็นผู้ทําได้เรียบร้อยและเป็นผู้ฉลาดได้อย่างดีดังนั้นท่านกิงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสด า, า, าว่วาเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายฝ่ายข้างเป็นผู้แต่งตั้งปูราต์อาเสนาสนะในข้อนี้ี่เห็นได้ว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่ฉลาดในการที่ปูราต์ และแต่งตั้งเสนาสนะอีกด้วยเป็นผู้ฉลาดด้วยก็แสดงว่าแม้แต่ว่าในการที่แต่งตั้งแต่ ง, ตงอาสนะที่นั่งหรือว่าปูระอาสนะนั้นท่านก็เป็นผู้ที่รู้จักฉลาดฉลาดได้ดีซึ่งตามตำนานว่าเมื่อทายกทายิกาบุคคลใดก็ตามเมื่อนิมนต์พระพิสุมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปในที่นิมนต์ในบ้านนั้นด้วยก่อนแต่เวลานั้นจะต้องนิมนต์ท่านประทับพระมรดบุตรผู้นี้แหละเป็นผู้ไปจัดการปูอาอาสนะตามสมควรเพราะท่านเป็นผู้เฉลาดในในในเรื่องนี้ว่าอาสนะเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นควรจะอยู่ที่ไหนอาสนะของอัครสาวกทั้งซ้ายขวานั้นควรจะปูอย่างไรแล้วก็อาสนะของพิะสุนอกนั้นควรจะปูอย่างไง ลาดไปสูงต่ำไปตามลำดับกันโดยลำดับแห่งพรรษาอยู่กันเพราะฉะนั้นท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้ฉลาดในการตั้งและผูรับอาสนะขั้งการต่อมาท่านได้พิจารณาถึงอายุสังขารของท่านว่าเห็นสมควรจะประนินิพานแล้วก็จึงได้กราบทูลาพระบรมศาสดานิพพาน เมื่อเมื่อจะนิพพานนั้นท่านก็ก่อนที่จะไปนิพพานนั้นท่านได้ทําประทักษิณคือเวียนรอบออพระพุทธองค์นั้นสิ้นรอบนี่แล้วก็ได้แสดงอิสริปาฏิหารนั้นเหาะทยานขึ้นไปสู่อากาศนั่งขัดบัลลังก์บนพื้นนาภากาศอลาหะระหว่างมิได้นั้นก็เข้าแล้วเข้าเตโชสมะบนะเข้าเตโชสมะ ท่านออกจากสมบาบัตินั้นแล้วก็ดับขันธทัปรินิพานน้ำเบื้องบนอากาศนั่นเองนะเบื้องบนอากาศทั้งเองแต่ท่านกล่าวไว้เพียงแค่นี้ไม่ได้กล่าวว่าเตโชธาตุนั้นได้ลุกโพลงขึ้นใหม่สังขารของท่านแต่ตามหลักที่ได้ศึกษามันนั้นพระมหาเถรละองค์ใดนั้นก่อนที่จะปรินิพานได้เข้าเตโชสมาบัต แล้วเมื่อออกจากเตโชนั้นปรินิพานไฟธาตุเตโชธาตุนั้นก็จะลบโพรงขึ้นเองเหมือนกับท่านพระพากุระดังที่เด้ ก, กล่าวมาแล้วองค์ก่อนนั้นท่านพระทัพพามรบุตรนี้นิพพานเสียตั้งแต่ยังไม่ฉลาก็คือมีอายุน้อยมีอาจารย์บางท่านกล่าวว่าเพราะท่านนั้นถูกพวกภิกษุชาอาชาวเมติยะภูมิ หาเล่โจด ท, ท่านด้วยอาบัติพรราชิกไม่มีมูลทั้นเมื่อที่ก่อนนั้นได้วินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังพากันแช่งด่าท่านอีกพิสูจนที่เป็นปุตุชนไม่รู้ก็พากันเชื่อถือพากันลังเกียดท่านสแสดงอาการที่ดูหมิน ด, ดูแคลนท่านไม่มีความเคารพนับถือในท่านเลยท่านก็เกิดความละอายในเรื่องนี้ก็จึงได้ถวายบังคมพระบรมศาสดานั้นนิพพานเสียแต่บางอาจารย์ก็ขัดขานว่าอันนี้ไม่มีเหตุผลเท่าที่โวร ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ควรจะเชื่อใดเพราะว่าธรรมดาพระขีนาศบทั้งหลายนั้นคือพระอรหันตนะ์ย่อมไม่มีความวันไหวในโลกธรรมทั้ทงนินทาสรรเสริญนั้นไม่มีความวันไหวทั้งนั้นละความยินดียินไายเสียได้แล้วคือการที่จะไปกล่าวไว้ว่าไายแห่งชนเราอื่นนั้นไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นการที่ท่านนิพพานที่ยังหนุ่มๆ น, นั้นก็เพราะเหตุที่ว่าอายุไขของท่านมีเพียงแค่นั้นเอง นี่เป็นมติของอาจารย์สองพวกด้วยกันก็น่าจะเห็นด้วยกับท่านอาจารย์พวกหลังเพราะเหตุที่ว่าเพราะรัทขีนาศพนั้นย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแต่ที่ท่านนิพพานนั้นก็เพราะอายุขยท่านมีเพียงแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นประวัติของท่านพระทัพบัลบระบุตรเถระเจ้าประวัติของพระมหาเถระอันดับที่ต่อไปนั้นก็คือประวัติของท่านพระอุทายีเถระ ประวัติของท่านพระอุทายีเถระท่านพระอุทายีเถระนี้มีชาติภูมิอยู่ที่ไหนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในสำนักของใครณที่ไหนก็ยังไม่ได้พบที่มาแห่งประวัติของท่านเรื่องราวของท่านนั้นมีมาในประการต่างๆก็กล่าวถึงเรื่องที่ท่านได้อุปสมบทแล้ว คือทุกๆเรื่องที่ได้ที่มีมาในประการนั้นก็กล่าวเฉพาะถึงในตอนที่ท่านได้อุปสมบทแล้วไม่ได้กล่าวถึงอประวัติเดิมของท่านเลยว่าเป็นลูกใครเป็นคนเมืองไหนเข้ามาบวชในพุทธศาส น, นาเมื่อไรในสำนักของใครใครเป็นอุปชาให้ไม่ได้มีกล่าวมีเฉพาะตั้งแต่เรื่องที่ได้เข้ามาอุปสมบทแล้วอ่าซึ่ง ดังมีเรื่องที่ปรากฏในปัญจกานิบาตอังคุตระนิกายว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีภาะเจ้าประเสร็จประทับอยู่ที่วัดโคศิกในพระนครโกสมพีครั้งนั้นท่านพระอุทายีนี้ก็ได้นั่งแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทหมู่หนึ่งซึ่ง น, นั่งแวดล้อมท่านอยู่ท่านพระอนุ์ก็ได้เห็นท่านแสดงธรรมอยู่อย่างนั้นก็จึงได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเนื้อขันให้ทราบ พระองค์ก็จิงแตัดวันดูก่อนอนนนการแสดงธรรมแก่ผู้อื่นนั้นไม่ใช่เป็นของทาได้ง่ายเลยผู้แสดงธรรมนั้นจะต้องตั้งอยู่ในธรรมะห้าประการด้กันคือผู้แสดงธรรมนั้นจะต้องมีธรรมะไว้ในใจห้าประการคือหนึ่งตั้งใจว่าเราจะแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดรับให้ขาดความสอง เราจกแสดงธรรมชี้แจงเหตุผลอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายสามเราจักอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมสี่เราจักไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่ลาบสการะและก็ห้าเราจักไม่แสดงธรรมกระทบกระทั่งตนและผู้อื่น นี่เรียกว่าธรรมะของธรรมกถึกหรือว่าผู้ที่จะเป็นธรรมะกะถึกนั้นจะต้องมีธรรมะไว้ในใจห้าประการเช่นนี้เรื่องนี้ก็ย่อมชี้เห็นว่าท่านพระอุบาลีนั้นแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทในบูญในหมู่ใหญ่เช่นนั้นก็ย่อมต้องมีธรรมะห้าประการนี้ไว้ในใจธรรมเทศนาของท่านนั้นจึงเป็นที่ชอบใจแก่พุทธบริษัท ก็นับว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถในการแสดงธรรมได้เป็นอย่างดีได้เป็นอย่างดีท่านนั้นก็ได้ดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การก็ดับขันธวรพณนสำหรับท่านพระอุวาลีอุทายีองค์นี้ไม่ได้รับเป็นเอตคะคือไม่ได้รับ ยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเลิกกับพิสุทธิ์ทั้งหลายในทางใดทางหนึ่งเลยแล้วการประดับขันธ์ประเพณีพานของท่านนั้นก็ไม่ปรากฏพ่ที่ไหนเมื่อไร่แล้วก็ท่านผู้ที่ใดเขียนตำนานมานี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านพระอุบาอุทายีองค์นี้นั่นนะ่ะมีชื่อว่าอท่านพระอุบาลีองค์นี้น่ยเป็นองค์ไหนแน่ คือท่านพระอุทายีนี้เนี่ยมีชื่อว่ามหาอุทายีก็มีแต่เมื่อดูที่มาเพียงในบาลีแล้วย่อมเป็นเหตุให้สงสัยและเข้าใจได้ยากเพราะว่าท่านเรียกลๆมๆทั้งหมดว่าอายะสมาอุทายีแปลว่าท่านพระอุทายีคํานี้หมายเอาพระอุทายีองค์อื่นนะองค์อื่นก็ได้ หรือหมายเอาบาลีองค์งอื่นคือในเรื่องของมหาวิพังตอนสังกาทิเศตสิกขาบทีห้าข้างต้นท่านก็ใช้เรียกว่าอุทายีเหมือนกันท่านาอุทายีเหมือนกันแต่แท่งแกเสว่าท่านพระอุทอายสมาอุทายีองค์นั้นเป็นพระโร ล, ลุทายีภาษาวกที่พินามว่าพระอุทายีนี้ก็มีอยู่ในกันหลายลูกเท่าที่ปรากฏแล้วชื่อ ที่รู้กันโดยมากก็มีอยู่สามองค์ด้วยกันคือหนึ่งพระกาลุทายีสองพระโลลุทายีและสามพระมหาอุทายีท่านพระกาลุทายีนี้ก็ไปอันว่าเป็นองค์หนึ่งอย่างแน่นอนก็คือท่านพระกาลุทายีคือพระอุทายีดำนี้เป็นผู้ที่นำสเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สเสด็จกลับไปยังกรมกบิลพัทเพื่อโปรดพุทธบิดาแต่พระโลลุทายีและพระอุยอุทายีทั้งสององค์นี้มีเหตุผลหลายอย่างที่นําให้สงสัยว่าจะเป็นองค์เดียวกันแต่ท่านพระกาลุทายีนั้นเป็นองค์หนึ่งแน่แต่พระโลลุพรโลลุทายีกับพระมหาอุทายีเนี่ยเหตุผลหลายอย่างที่ น่าจะสงสัยว่าจะเป็นองค์เดียวกันในอสิติมหาสาวกนิพพานนั้นท่านก็จัดเอาพอโลลุทธายีเข้าไว้องค์หนึ่งคือในอสิติมหาสาวกปณิพพานนั้นคือในคำพีนั้นได้จัดเอาท่านพโลลุทายีนี้เข้าเป็นมหาสาวกคือพอสาวกผู้ใหญ่ในจำนวนแ0ดสิบรูปนั้นองค์หนึ่งเหมือนกัน แต่ส่วนลำดับพระสาวกแปดสิบองค์นี้ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงจัดไว้ในพุทธานุพุทธประวัตินั้นพระองค์ไม่ได้จัดท่านพระโลลุทายีเข้าไปด้วยทรงจัดเอาแต่พระอุทายีเข้าในจํานวนนั้นองค์หนึ่งเท่านั้นเองนะคือในส่วนลำดับของพระสาวกแปดสิบองค์ที่ท่านสมเด็จพระมหาสมณเจ้าจัดไว้นั้นพระองค์ได้จัดเอาพระอุทายีองค์นี้แหละ เข้าไว้องค์หนึ่งในจํานวนแปดสิบองค์นั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของพระสาวกสองลูกนี้คือท่านพระโลลุทายีกับอุทายีนี้จึงน่าจะเป็นองค์เดียวกันก็เพราะวันในอสีติมหาสาวกท่านจัดพระโลลุทายีเข้าไว้แต่ส่วนในลําดับของพระสาวกแปดสิบองค์ที่พระมหาสมมาเจ้าทรงจัดนั้นได้จากพระอุทายีนี้เข้าไว้ เพราะฉะนั้นพระโลลุทายีกับพระอุทายีนี้จึงน่าจะเป็นองค์เดียวกันแต่เรื่องนี้เรื่องของภาษาวกสองโรคนี้ท่านผู้ดีแต่งทำนานนั้นได้กล่าวว่าได้เคยถามท่านผู้รู้มามากแล้วก็ไม่ได้รับคำอธิบายเป็นที่พอใจให้หายสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนอกจาก จะค้นพบประวัติเดิมของท่านทั้งสององค์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผู้แต่งตำนานนั้นผู้เขียนตำนานนั้นก็จึงได้ขอให้เป็นการวินิจฉัยของท่านนักธรรมะทั้งหลายให้ช่วยกบิจารเถิดดังนั้นในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนักเรียนในการที่จะสอบเมื่อมีปัญหาในประวัติของท่าน เกิดมาเช่นนี้เราก็ควรที่จะถือเอาในฉบับนี้เองคือเอาชื่อเดิมของท่านที่ว่าชื่ออุทายีโดยไม่ต้องไปข้องแวะว่าพระโรุทายีกับพระอุทายีทั้งสององค์นี้จะเป็นองค์เดียวกันหรือไม่นั้นไม่ต้องไปคำหนึ่งเพราะเหตุว่าท่านผู้เขียนตำนานนั้นท่านก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ เพราะฉะนั้นเราเป็นนักเรียนเราเมื่อจะตอบแล้วก็ตอบเฉพาะในชื่อนี้เท่านั้นโดยไม่ต้องไปคำนึงอืง่นงอื่นแต่ก็ไม่ใช่พระกาลุทายีอย่างแน่นอนเพราะกาลุทายีนี้มีอีกองค์หนึ่งต่างหากที่ได้ผ่านมาแล้วดังนั้นก็ไปอันว่าจบประวัติของท่านพระอุทายีเพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟัง และท่านนักศึกษาทั้งหลายทุกทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร